ท่านสาวุชนพุทธบริษัททั้งหลายแบบนี้ท่า น, น, นทัน้นหลายได้เจริญสมาทานในสมาฐานะมาทานสิงแล้วต่อไปอวันด า, ท, านท่านพุทธบริษัททั้งหลายนวิยามวรวบรวมกำลังใจของท่านเช่นเดียวกับพระโอปุติกาเทรีที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ ว่าท่านบระโอปกาเทรีท่านตัดสินใจยังไงอ่าท่านเหว่าชีวิตร่างกายไม่ใช่ของท่านทรัพย์สเรื่องหลายไม่ใช่ของท่านบุตรทีดาทั้งหลายไม่ใช่ของท่านในลานี้สิ่งที่ท่านต้องการมีอย่างเดียวคือสมณธรรม อ ง, งสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้วร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่เพรเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่ยึดถือร่างกายของเราด้วยจะไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นด้วยจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยถ้าอรมณจิตของเราไม่ยึดถือทุกอย่างอย่างนี้ท่านเรียกว่าป่าหาัน แล้วก็มันขอบันดาเพื่อนพุทธบริษัททุกท่านจงพยายามทำไปวันเล็กวันน้อยค่อยๆปลดไปเมือ่อปลดไ ป, ปดบ่อยก็สามารถจะตัดได้อย่างพระหุบพระปฏิกาเทรีตั <c oughs> ้งนี้ที่องค์สมเด็จพระจินทร์ทรงทศักด์วาสน้ำตกสมาธิระหยัดน้อ ย, อยแต่ว่าตกไม่ขาดสายก็สามารถทำพระเจะนะใหญ่ให้เต็มได้ฉันใด แม้แต่ทำก็องค์สมเด็จเวจอมไตรบรมศาชสันดาก็เช่นเดียวกันปฏิบัติทุกวันปฏิบัติบ่อยๆละไปเ็ิเล็กละปฏิน้อยไม่ใช่ามันก็หมดสหรับวันนี้จะนำอวตารคำสั่งอนก็องสมเด็จพ่อบรมสุคตในกรรมฐานสีสิทธิเฉพาะในอนุสติสิทธิ์การวันนี้จะว่าถึงจะาคาอนุสติกรรมฐาน โปพลาที่แล้วศีลารู้สติผ่านมันแล้วนี่ว่ากันที่จาระรู้สติจรมาทันข อ, อทุกท่านโปรดทราบว่าที่เสียพูดนี่พูดในแนวของการปฏิบัติ <c oughs> ไม่ใช่พูดในแนวของปริยัติคำว่าปริยัติคือการเร้าเรียนเพื่อรู้แต่นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อบรรุญมรคล องสมเด็จพระทศพลเบอร์มิสศา ส, นาสันดาทรงแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทแห่งหลายโดยทุ่นนาให้มีทางการบริจาคยาคะาแล้วบริจาคเครื่องเสียสลัก <begin> ในความจริงสำับเรื่องแจคันนี้พระบาทสมเด็จที่หัวองค์ปัจจุบันเคยเจริญการที่เก้าทรงมีพระราชประการมา ว่าคำการมีจาคะตัวเดียวนี่สามารถปฏิภานได้และพระองค์ก็ส่งวินิจฉัยมาว่าจาคะถ้าแปลว่าเสียสละแปลว่าจิตใจยังหลงเนียวอยู่ในทรัพย์สินนั้นมากต้องมีกำลังใจแล้วแรงต้องดึงหนัก <c oughs> อย่างนี้ถือว่ายังไกลต่อมาผลถ้าตัดคำว่าเสียออก เหลือแต่สละอย่างเดียวอย่างนี้สนแสดงว่ากำลังใจเบาลงไปมากแล้วแต่ก็ยังมีเยื่อใยติดอยู่ที่คำอุละถ้าเอาตัว ส, อส่อออกแสดงตัวเหลือแต่คำวันละตัวเดียวได้แก่อาตบคนนี่พระรา ช, ชรรบบาไม่ใช่พระบารมจที่หัวหนพระบรรดาท่านพระอุริสตางคหลายจงยึดถือเพื่อเครื่องประพฤติปฏิบัติ แต่ว่าพระองค์มีพระราชบัญญัติที่ใช้ตรงตามจุดของพระริยเจ้าพนดีแต่ว่าเขาแยากคิดว่าอาจะมาไปยกย่องพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จจา่หัวเป็นพระอริยเจ้าเขาอีกนะ <c oughs> ฟังกันแล้วก็ฟังให้มันเข้าใจไมอว่าไม่จะยกย่องท่านท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ แต่ว่าท่านวินิจัยตรงกับอา ร, รมณ์ของพระอริยเจ้าพอดีเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาใช้คาวันละกันตัวเดียวเท่านั้นนี่เราก็มาเริ่มตนละกันเลยดีกว่าถ้าลงละได้จาค้าตัวนี้่าเป็นเครื่องทำลายโลภะจงเปละแค่ขเขาที่เล็เป็นตัวสำคัญถ้ายังใช้ธรรมเสียสละ สแสดงว่ายังมีความเสียดายอยู่มากถ้าอารมณ์จิตยังมีความเสอนใดในการเ ก, กลืงอกลูนเสรัสน้นกรกะเรงไปว่าจะหมดเปลือง <c oughs> <c oughs> บางทีจะให้น้อยก็าอายชวบ้านจิตใจมันก็วาวุ่นอย่างนี้สแสดงว่ากินเลสยังท่มหัวเลยเลยสิจ้นี่หักว่ามีจิตสภาพกอบโกย โดยไร้ประโยชน์ไมาความมันไม่ตรงกับสภาวะของเราที่เป็นนักปฏิบัติมีการกอบโกยหาผลประโยชน์เข้าใส่ตัวแทนที่ยาสละกลับตึงกลับเข้ามานี่เป็นการสร้างกิเลสให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลส น, นักปฏิบัติจะกระทำฐานโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระลน ที่มีคำว่านิพานาสัจสกิริยายะเอตังกาสวาวังเรตวามันแปลเป็นใจความว่าพระพเจ้าขอรับป่ากาสาว่าพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งพระนิพพานหรือว่านักปฏิบัติกรรมฐานทุกท่านที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าประโยคนาวจรแปลว่าผู้ประกอบเพื่อความดีเพื่อความเป็นสิร มีคำว่าเสสละจงอย่ามีในจิตคาว่าสละก็จงอย่ามีในจิตจงมีคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าละเป็นอันว่าเราจะละทรัพย์สินเสียทั้งหมดเราจะละทุกสิ่งทุกอย่างที่หมดแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ละร่างกายขบุคคลอื่นที่เนืงถึงเราเราก็ละ ทรัพยสินท้งหมดที่มีอยู่นี่เราก็ละในเขามละในที่นี่ก็มไม่ได้หมายความว่าทำลายร่างกายทิ้งไปทําลายร่างกายของบุคคลอื่นให้หมดไปที่รพย์สินมีเท่าไรโยนทิ้งไปไม่อย่างนั้นอย่างนี้มันผิดเป็นอัตรากรรมฐานนิยมไม่ถูกอารมณ์ละของเราคือหมาความว่าละที่เราจะไม่ผูกพัน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพ ร, ระธรรมบทคุตกานิายว่ากระจายออกและจะรวมเข้ามีหมายความว่าเรามาละอะไรกันดีในที่นี้เราก็ละทรัพย์สินเราไม่เมาในทรัพย์สินที่เพิ่งได้มา <c oughs> แต่ว่าถ้าเยาวเราเราจะต้องเลี้ยงชีวิตอยู่เราก็ต้องหา หากินตามหน้าที่เ็รา่างกายมันต้องการจะกินร่างกายมันต้องการจะนุ่งจะหม่มร่างกายมันจำจะต้องใช้หามาตามหน้าที่ที่ว่าร่างกายยังมีอยู่ก็ต้องบารุงเลยมันเพื่อต้องการเอามันไว้เป็นภานะสำหรับเพื่อก้าวก็เป็นโสดาบานแต่แ บ, บ้ไม่หวังจะหามาเพื่อความร่ำรวยเพื่อการสะสม แล้วบริาหามาด้ความละโมบโลกมากไม่ตรงกับฐานะแห่งความเป็นอยู่ในฐานะที่เราเป็นพุทธสาสนิกือ ท, ที่เรียกว่าประโยคาวาจรคําว่าประโยคาวาจรนี้หมายถึงว่าท่านผปี่ปบูตปฏิบัติเพื่อประสดาปฏิมักพอถึงประสดาปฏิมักแล้วท่านเรียกว่าประโสดาปฏิมัค กำลังปฏิบัติอยู่นี่เรียกว่าประโยคนาวจร์กำลังจะก้าวเข้าไปใกล้พนิพายนเข้าไปเมื่อถ้าอารมณ์เยื่อใยในทรัพย์สินยังมีอยู่าอารมณ์เยื่อใยในชีวิตมีอยู่เกินไปยังมีความเยื่อใยในบุคคลเรื่องทั้งการเกินไปอย่างนี้เที่ยวยังมียางเหนียวคือกิเลสติดใจยอยู่ใช้ไม่ได้เราควรจะทำอารมณ์ใจยังไง ก็ถือว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างทำหน้าที่นั้นให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าให้บกพร่องเรือ่อหน้าที่ที่ทำนั้นถือว่าทาตามปกติที่มีหน้าที่อยู่เช่นนั้นเราไม่มีความเยื่อใ่อะไรก็ถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเรานาไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเมื่ออยู่มันมีความจำเป็นจะต้องใช้ก็ต้องหา หามาเพียงพอกับแตภาพคือไม่ได้เกี่ยดแต่กายให้เหนื่อยยากเกินไป <c oughs> ไม่ละโมบโลกมากเกินไปหามาเพื่อกินหามาเพื่อใจหามาเพื่อเพื่อคุณชาวบุคคลในตระกูลหามาเพื่อเพื่อคุณชัวบคุคคลที่อยู่ภายในบังคับบัญชาแต่จิตใจของเราไม่ได้ติดนทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้น คิดว่าทรัพย์สินนั่งหลายเหล่านี้ใ น, นเมื่อเราตายแล้วเราก็แล้วกันไปเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีทรัพย์สินนี้ต่อไปและมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ในชีวิตนี้คนดีถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วคนดีถ้ามีสภาพการเกิดอย่างนี้มันก็ต้องหาอย่างนี้มันก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้ เวลาที่เราตายไปแล้วเราก็นําไปไม่ได้อย่างนี้เพราะนั่นว่ารมในตอนนี้สิว่าเราละอาการอย่างนี้เสียเราไม่มีความผูกพันในทรัพย์สิน ใ, นใดๆทั้งหมดแล้วก็มีความรู้สึกว่าสเสมอว่านับตั้งแต่บตรรทัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชี้ว่าจะมีชีวิตจินตรีมาเพื่อมีทรัพย์สมบัติอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเรา การที่เราจะไม่มีชีวิตจิตใจมาเพื่อมีสมบัติอย่างนี้ได้นั่นก็คือหมายความว่าเข้ากรนีข่ายเขาทำกันยังไงแล้วก็มานั่งพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนเขาองสมเร็จไปจอมไตรปรมศาสดาไม่เคยลืมนะว่าเราแน่กันเท่านั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่มานั่งจำจี่จำช้เจนกระท่งท่านจะได้บรรุมาขน โดูคำสั่งสอนเขาองสําเร็จประตศคนท่านสอนทีดนิสเดนิสเขาก็มันละมาผลกันนี่สําหรับคนดีถ้าสำหรับคนเลวแล้วก็อย่างะฏิวทัติกอบโกยให้เทไรทั้งการลงอาวีทีมหานครนี่เราพูดจำเป็นละในการแสวงหาทรัพย์สินที่โดยไม่ชอบทำแต่ว่าถ้าหาทัพย์สินมันโดยชอบทำเพื่ อ, อยังความเป็นอยู่ไม่ถือว่ามีความโลภตามนี้ แต่การหามันได้ก็ไม่ติดใจคิดว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัยมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเรากับมันต้องจากกันแน่นี่แต่ลมของจากฆาในค้อ น, นี้ในค้อนี้ว่าแคนี้นะตอนนี้เรวจะมานั่งดูกันต่อไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปบรมันสัตยันดาสอนคำว่าจากฆาต่อแต่แค่โตละตัวเดียว คำละคำสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นเราใจจิตของเราจะต้องไม่มีคำเสียสละหรือไม่มีคำสละตพระราชนิชัยเขาบ่บาดสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงนิชัยมาถึงสามชั้นแม้แต่ได้ชั้นรองก็ทรงอธิบายไ้ว่ามันเป็นยังไงเสียสละยังมีเยื่อยายอยู่มากจะมีความโลภมากสละอารมณ์ความโลภยังมีอยู่ก็จะมีความเสียดาย อละแค่ตัวเดียวไม่มีความเสียดหมดเร่งกันนี่ถ้าเราละแต่วัตถุเราจะได้อะไรขึมบ้าง <c oughs> อามณ์ของาไม่ติดในลาบสิการะทั้งหมดไม่มีความยืดใหญ่ในลาบสิการะแต่ว่าต้องหามาตามหน้าที่ ก, การหามาตามหน้าที่เนี่ยสมเด็จสัมสส ม, มาสัพพะตะเจ้าไม่ได้ทรงทำมิ ถ้าหามาด้วยการสุดยริตทําพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วก็อย่าเป็นนั่งตําหนิงชาวบ้านชาวเมืองเขาที่หากินกันมันยังคํามันยังคําว่าจ้าหนี้โลภโมโทสังเกินไปทำไมเราไม่รู้สึกไหวตัวจะตายตัวจะแกมาตายแล้วก็ไปไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นเร็วมากเพราะต้องหากินตามหน้าที่เราก็าหากินตามหน้าทีตามภาวะของจะมี แต่ว่าหากินโลยหน้าที่ไปถึงกันลกโมโตสันไม่ใช่ภาระของตัวนี้เร็วจัดหรือว่าไม่ใช่พรทธสาวกมานั่งดูต่อไปจิตใจเราละในทรัพย์สินการที่ะละได้กำลังใจมาละอะไรได้บ้างเพราะทรัพย์สินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตความโลภเป็นกิเลสยิน สร้างความชื่นชิตให้ปรากฏกั บ, บคุคนพ้ได้มาพ้นได้ทรย์สินมันแล้วก็เกิดความชื่นใจว่าโอ้หนอนี่เรามีโชคนะเรามีเงินมากเรามีทองมากเรามีฐานะมากเรามีบริวารมากนี่มันเป็นกินเลสตัวยินถ้าเป็นไฟก็ไฟยินถ้าถูกตีก็เหมือนถูกตีด้วยไม่หนม่ม่งกว่าจะรู้สึกตัวก็โดกแหลกหมดแล้ว ไอ้ไฟเย็นๆในก่อนจะรู้สึกร้อนมันก็ไหมไปหมดตัวตัวก็ตายไปแล้วนี่ต้องระวัง <c oughs> มีความรู้สึกไวเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อตายทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้หูยาตาทุกคนเราสร้างไว้เป็นมรดกตกทอดท่านทังหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็ต่างตายไปหมดแล้วไม่มีใครทรงชีวิตอยู่ ในเมื่อชีวิตของท่านไม่ทรงอยู่แล้วทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่ได้นําไปด้วยแม้แต่ร่างกายก็ไม่ได้นําไปฉะนั้นร่างกายก็ดีทรัพย์ ส, สมบัติก็ดีก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่เดียวกันทรัพย์ ส, สมบัติสิ่งที่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือทรัพย์สมบัติในแก่ร่างกายทรัพย์ ส, สมบัติส่วนนี้เรามีความเยื่อใ ย, ยเรามีความปกคันมากฉะนั้นในเมื่อเราคิดว่าเราจะละทรัพย์สินทั้งหลายให้หมดไปจากคิด จิตใจไม่มีการหลงเหนียวในสัพย์สินทั้งหลายที่ใช้ทามันละตัวเดียวตามที่พระบาทสมเด็จพรเจ้า่หัวทรงมีพระราชบัญญัติมาเราก็ต้องหันมันละอัตภาพร่างกายของเราด้วยความจริงจะฆ่าตัวนี้ตัวเดียวเป็นทหาราสบายและเป็นตัวตรงเสียด้วยเราก็มันละเสียหมดละโลภความโลภเส้ยได้แล้วแล้วก็มานั่งละความโกรธ ความโกรธลตรงไหนล่ะก็มีอารมณ์ให้อภัยแกบุคคลผก้ผิดแต่ท่านี้เ่นเว่าไมแต่ว่าผิดกฎผิดระเบียบผิดใ น, ผ, ดในผิดกฎหมายอันนี้ให้อภัยไม่ได้ <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้อภัยเพราะเป็นระเบียบ <c oughs> เึ็นข้อบังคับขอ้อโมฆะจําเป็นจะต้องประสูจนปฏิบัติคนที่ละเมิดระเบียบละเมิดในและวมิดกฎหมาย <c oughs> เขาไม่รีตัวคนดี คนประเภทนี้ให้อาภัยไม่ได้ต้องลงโทษตามหน้าที่ตามระเบียบแต่คนดีนี่เขาไม่ไม่ละเมิดระเบียบวินัยเลยไม่ละเมิดกฎข้อบังคับกรนีมาถึงว่าการให้อาภัยกับคนที่มีความผิดสหมายความว่าเขาหลงผิดคิดหรือว่าอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันดีซึ่งไม่เป็นการทำลายระเบียบไม่เป็นการทำลายวินัยไม่เป็นการทำลายกฎหมาย แค่แต่ว่ามีกำลังใจคิดพลาดไปบางทีสิ่งนี้มันเป็นความชั่วเป็นปัจจัยแห่งความเดือดร้อนแต่เขาหลงผิดไปเขาก็พูดผิดไปบ้างทำผิดไปบ้างอันนี้เราก็ไม่ถือโทษเกลดเกียงแค่ไม่ถือโทษโกลีดเกียงก็อย่าไว้กอเราก็ให้อภัยเสียเลยเ้าคิดว่านี่เขาทําไปเพราะการรู้เท่าไม่ถึงการถ้าเขารู้ว่าอาการอย่างนี้มันเลว เขาก็คงไม่ทำเช่นเดียกับเราที่เราทำอะไรไปทุกอย่างเราคิดอะไรไปทุกอย่างเราพูดอะไรทุกอย่างแล้วตัดชินใจทํทำอย่างนั้นก็เพราะเราคิดว่ามันดีแต่คิดถึงอารมนี้แล้วก็คนให้อภัยแต่เขาพวกมีความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบภินในแล้วก็กฎหมาย อันนี้ต้องว่าก็นไปตามระเบียบเราไม่โกรธแต่เราต้องลงโทษตามระเบียบเพื่อความอยู่เป็นสุขของคนร่วมกันเป็นส่วนมากนี่แปลแกตัวนี้ที่ว่าเป็นพมิฐานสี่ตัวใหญ่ได้เป็นตัวตัดความโกรธเมื่อถ้าเราไม่มีความโลภละความโลภได้แล้วแล้วก็มาละความโกรธซีอีกตัวให้อภัยนี่เลยวันละความโกรธ ใ, ใจมันก็เป็นสุข ความกลัวที่เป็นกิเลสตัวร้อนทำให้เราร้อนง่ายเราละมันและ้วก็ร้อนอยากมางมันก็ไม่มันก็ไม่ร้อนตอนี้มันละอีกตัวเนี่ยละความหลง <c oughs> หลงตรงไหนหลงคิดว่าตภาพร่างกายคือกันธาแล้วเขาพูดสมิดเนี่ยประเดี๋ยวบรรดาบรรดาศาสตราจาราจาาย์หลายเจะาหาวแหมมยิดวาลีเสล กัน5ก็ได้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารนิยาณเพอตัวเราเนี่ยแต่อไปไม่พูดกันหน้อีกพูดทงตัวเราดีกว่าเข้าใจง่าย <c oughs> เพือนพูดอย่างนี้แล้ก็ญาตยมวเท่าก็นั่งคิดวัวตายเอาร่างกายของเรานี่ยแหละมันจะมีอะไรบ้างก็ช่างมันนี่ี่อย่างก็ช่างเราจะไม่หลงในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตาย เราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะทรงอยู่มันจะดีอยู่จะไม่ควยไข้ไม่สบายเราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะไม่แก่เรามีความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงไปเสมอถ้าจะหลงนะว่าร่างกายนี่ประกอบก็ได้อะไรประกอบก็ได้ทาตสี่ะทอานน้ำธานดินธานลมทานไฟ มันเปรียบเปรีกร้อเข้ามาเป็นกายแในเมื่อเป็นกายแล้วมันมีการทรงตัวไหมท่านบอกว่าร่างกายเป็นี้จยางเป็นของไม่เที่ยงจริงไหมมองดูให้รู้ว่ามันจริงนะคิดกัเอาเองนะเวลามันน้อยจะมานั่งจำจีจำใจขึ้นไปยังไม่เอาใช้ปัญญาสิบ้างถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แครเที่ยงแล้วก็ไม่ปย่ยเที่ยงแล้วก็ไม่ตาย ไห้พวกคุณแคนี้พอมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงถ้าไปคิดว่ามันจะเที่ยงถ้ามันเคลื่อนไปมันเป็นความสุขหลือความทุกข์แล้วคิดว่าเราจะไม่ป่วยถ้ามันป่วยแล้วมันไม่เกิดเป็นความสุขและความทุกข์คิดว่าจะไม่ตายแต่บังเอิญความตายมันจะเข้ามาถึงจริงๆความน่ายความหลงว่าจะไม่ตายเม่อความตายมันคืบคลานเข้ามาความรู้สึกมันจะเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ นั่งเล็ตัวเองใช้ปัญญากันเอาใช้ไม่ได้ก่อนแล้วไปไม่ได้ห่วงใยใครแนะนำให้เท่านี้ก็ไม่มีค่าจ้างรางวัลถึงไม่จะมีค่าจ้างรางวังงจจลก็ไม่เอาจะนั่งจําจีจำใช้ล้วคนที่แมเอาไหนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าจะคนไหนก็ตามถ้ามีวิสัยเป็นเครือพันขเขาเทวทัศน์แล้วก็สอนเทาไรก็ไม่ได้เรื่อง เ้ามันเคยพันเขาโอสถเดชสัมมาสัมพุทธเจ้าเสกษษิตนิดหนึ่งเขาเป็นอราหันต์ดูตัวอย่างท่านพระอุติกาเทรีท่านรับฟังอะไรบ้างก็าท่าเป็นเป็นอราหันต์ได้บทวันเดียวเท่านั้นเป็นอราหันต์เลยเพราะาใช้กําลังใจอะไรเพราะาใช้กําลังใจว่าร่างกายที่ ป, ประกอบด้วยธาสีมันไม่มีการสองตัวมัน ม, มีการทรงตัวมันแกไปทุกวัน แล้วมันก็ทายก็ไปหาความตายในที่สุดมังก็ตายยึดหรือมันไว้ก็มีความทุกข์จะไปยึดมันได้ยังไงโกธรรมดาก็มันเป็นอย่างนั้นเอาใจของเราก็ไปยอมรับรับถือกธรรมดาเสียว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงจะเป็นคนคนดีจะเป็นสัตว์คนดีจะเป็นวัตถุคนดีไม่มีอะไรเที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงถ้าเราไม่ละประยึดมันเข้ามันก็จิตใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าใจเราละเสียล่ะ และร่างกายเนี่ยไม่ช้ามก็พังไอ้เรื่องความตายเรื่องการพังให้คิดไปทุกวันว่าวันนี้ตืินนอนกันแล้วมันจะถึงตอนเย็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเราจะได้นอนหนลับหรือเปล่าไม่ทราบปะเญาตายสวันนี้ <c oughs> แล้วต้องคิดไวอย่างนี้เสมอเมื่อคิดอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อไปถ้าเมตตาเราก็คิดต่อไปว่าถ้าเราพื้นทรงกายอย่างนี้อีกในชาติอื่นเราก็มีทุกข์ ทุกมันมาจากไหนทุกมันมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากอยากจะรวยอยากมีทรัพย์สินอยากจะทรงอยู่อยากจะโกรธอยากจะวิข้าศิงฆ่าทำลายแล้งคนอื่นอยากให้ร่างกายทรงอยู่ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้ตายไม่อยากจะพัดรากคนที่รักของที่รักของเราไปโลาไม่อยากตายีต้องตัดอารมณ์ตัวนี้เสีย ยอมรับและฟืตามความเป็นจริงว่าในเมื่อทูเสียงทุกอย่างในโลกไม่แร่างกายเราร่างกายของบุคคลอื่นและ ว, วัตถุธาตุต่างๆก็ตามเมื่อมันมีสภาพไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีการเสื่อมไปในแทมกลางมีการสลายตัวเป็นอันดีสุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเหตุขงความทุกข์เราผู้ต้องการความสุขจะไม่ต้องการเหตุนี้ต่อไป เราจะตัดเยื่อใยในชีวิตคือร่างกายที่อย่างเดียวพอตัดร่างกายได้แล้วก็ตัดทุงอื่นทุก อ, อย่างได้หมดคิดว่าร่างกายของเราเนี่มันจะต้องตายมันตายอยู่ทุกๆวันและสัตว์มัทั้งหลายเหล่านี้นั้นเมื่อตายแล้วมีอะไรบ้างที่จะมีประโยชน์สำหรับเราไม่มีอีกแล้วถ้าเราต้องเกิดไปชาติหน้าต่อไปก็จะต้องมีสภาพอย่างนี้อีกฉะนั้นก็ตัสินใจไว้ว่าทึ่คิอว่าร่างกายของเราก็ดี ร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีรับสมัครเป็นโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโล ก, กดีตามที่พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้ในมหาปฏิปทานทุกขอ้อเมื่อเราจะไม่มีความผูกภัยเราจะละเสีหมดละทั้งร่างกายก็ไม่มีการผูกพันร่างกายของเราละร่างกายเขาบุคคลอื่นที่เลี้ยงเชื่อเราละทรัพย์รักสินเป็นละสินเส้หมดมีจิตกาหนดอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื่อของอิเลส หากว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทปฏิบัติตามประทำคำสั่งสอนพระองค์ ส, สเามเด็จเทวมลโลกเทยคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติในไม่ช้าอารมณ์ละจะรี่สุดจดถึงท่านนั่นคือความผู้เข้าบริพานจะยังมีเป็นใ น, นวาระภาพเพียงตัวเดียวเพียงเท่านี้แต่กว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทตนปฏิบัติได้ก็หมายความว่าท่านก็มีโอกาสจะสําเร็จมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา อะไรการเวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดสินแล้วก็ขอยติไว้ญญาเพียงตัวนี้